ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงทําก่อนฉันเรื่องขัน5ต้องพัฒนาโดยพ่อท่านโู้ที่รักเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2535นะพุทธสถานสติอโศกเขาฉชนท่านติตาท่ฟังได้นะบัดนี้ ยมผู้ยังฝ่ายธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหลายวันนี้อาตมาว่าเรามาเทศกันถึงเรื่องขันห้าของมนุษย์ดูบ้างนะขันห้าหลายๆคนก็ฟังแล้วว่าเอ๊ขันเป็นยังไงล่ะอีสานนี่เขาเรียกว่าโอขันในอีสานเขาเรียกโอนะโอตักน้ำ อีสานเรีย ก, ยกโอทั้งภาคกลางและภาคอะไรอื่นๆจะเรียกขันเหมือนกันกับภาคกลางมันก็ตามใจหรือว่ามีภาษาอันอื่นเรียกอีกก็แล้วแต่ขันอันนี้คือขันทะขันขอขันและะ้วก็ทอทองบรรยากาศขันรเรียกว่าขันนี่แปลว่ากองแปลว่ากองแปลว่ามูขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขาร วิญญาณนี่เรียกว่าขันหาของมนุษยนะ์รูปก็คือองค์ประชุมร่างกายเรานี่มีองค์ประชุมของดินน้ำลมไฟนะมีอากาศมีวิญญาณด้วยมีมีธาตุหกดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนี่อยู่ในร่างกายเรานี่เรียกว่าธาตนะุหกเรียกว่ารวมรวมทั้งหมดแล้วก็เรียกว่ารูปแต่แท้จริงแล้วมันก็นามปนอยู่คือวิญญาณก็คือนามปนอยู่ในนั้นนะอยู่ใน ธาตุธาตุทั้งห้านั้ น, นรูปเวทนาก็คือจิตวิญญาณวิญญาณจะมีเจตสิกสคือเวทนาสัญญาสังขารเป็นเจตสิกที่อยู่ในวิญญาณเป็นบทบาทเป็นอาการที่เกิดซ้อนอยู่ในจิตนั่นแหละอยู่ในวิญญาณนั่นแหล ะ, ะซ้อนอยู่ในจิตอยู่ในวิญญาณเามาชานี้ท่าน นิคาวิโรก็ได้พยายามอธิบายวิญญาณตามที่อัตมาได้พยายามที่จะหาคําพูดภาษาไทยนี่แหละมายืนยันให้พวกเราเข้าใจจิตเข้าใจวิญญาณได้มากขึ้นคือเราเข้าใจอย่างมิจฉาทิฏฐิมันยังไม่ค่อยถูกแม้อย่างนั้นก็ยังยากเพราะว่าวิญญาณเนี่ยอธิบายยากชี้แจงด้วยภาษายากพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอนิทัศนังทําไม่รู้ให้เห็นให้เข้าใจได้ยากอ น, นิทัศนังอ่นนานในแปลว่าไม่มันไม่ได้รู้ได้เห็นได้ไง่ายๆเรื่งวิญญาณนี่ วิญญาณนังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตประพังนะภาษาบาลีบุรุษจารย์ตรัสว่างี้อนิทัสนังมันไม่ได้บอกกันได้หรือว่าจะให้รู้ว่าเห็นกันได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะอนิทัสนังอนันตังมันไม่มีที่จบที่สิ้นหรอกอนันตังนะวิญญาณเนี่ยมันไม่มีที่จบที่สิ้นมันิรันน่ะเหมือนอย่างการศาสนาอื่นที่ก็บอกว่าวิญญาณเป็นนิรันก็จริงนะวิญญาณเนี่ยมันอนันตังมันอยู่กันนิรันอนันก็คือนิรันนั่นแหละอนันตังอินเทอร์นิตี้หรือว่า Forever อะไรก็ตามใจเถอะนะมันก็ไม่มีจบไม่มีสุดลงไปเรื่อยๆแหละอั น, นันตังสัพพโตประพังหมายความว่าวิญญาณแท้ๆนะสัพพโตประพังวิญญาณแท้ๆนี่ประพัรสอนประพังก็คือมันสว่างสวัยรุ่งโรดะะสะอาดสะอาอะไรอยู่ในนั้นนะทั้งมวลทั้งปวงสัพพะนะีวิญญาณแท้นะ แต่จิตวิญญาณของคนที่เป็นพุตุชนหรือว่าแม้เป็นพระอริยะบ้างแต่ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะไม่ประพัดสอนสมบูรณ์หรอกแต่วิญญาณหรือจิตนี่จะต้องเป็นสิ่งประพัดสอนเป็นสิ่งสะอาดบริรสุทธิ์สว่างสวัยไม่มีมั่วไม่ไม่มีมัวไม่มีฝ้าไม่มีฟางไม่มีเศร้าไม่มีมองไม่มองใสสะอาดสว่าง จะเติมคำว่าสงบอย่างที่ท่านพุทธทาสว่าก็ตามใจก็ได้อีกที่จริงสงบของพระพุทธเจ้านั่นน่ะมันไม่ได้หมายความว่าสงบก็คือจอยสงบก็คืออยูอย่เฉยเฉยสงบก็คือนิ่งนิ่งไม่ใช่สงบก็คือไม่มีลีลาบทบาทของกิเลสมันมาเกิดอยู่ที่จิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณปราศจากบทบาทของกิเลนั้นเลยว่าสงบจากกิเลสเพราะการมาแปลคาว่าสงบนี่โดยไม่มี เงื่อนไขหรือไม่มีตัวขยายลงไปว่าสงบจากกิเลตมันจึงทําให้เข้าใจผิดกันไปมากมายเพราะเลยกลายเป็นสงบอะไรที่มันอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆสงัดส ง, ดส ง, ดสงบสงบเงียบ ๆ, ๆนิ่งๆมันก็เลยกลายเป็นรูปธปรรมไปหมดเพราะฉะนั้นโดยนามาทำโดยจิตวิญญาณแล้วเนี่ยและโดยเป้าสําคัญที่สุดเป้าหมายจุดสําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานั้นสงบต้องหมายความว่าสงบจากกิเลตฐานอุปทาน ไม่มีตัวนี้ขึ้นมาวุ่นวายมาเกิดมามีบทบาทมาทำรวนมาทำวุ่นอะไรขึ้นอีกแล้วจริงๆ จ, จบกิเลสตายสนิท ต, ตายสนิทเท่าไหร่ก็สงบเท่านั้นตายสนิทเท่าไหร่ก็สงบเท่านั้นพอสาขาว่าตายสนิทเท่าไหร่สงบเท่านั้นคุณเข้าใจแต่ยิ่งกิเลสตายสนิทเท่าไหร่จิตยิ่งไม่สงบเท่านั้น คุณเข้าใจไหมตอนนี้ไม่สงบนี่ไม่ได้หมายความว่าประเทศได้วุ่นวายนะแต่ไม่สงบคือมันเป็นพลังรุ่งโรยประพัดเรืองรามโทษช่วงชัชวาลมีพลังมีประสิทธิภาพมีความจำใสมีความอบอุ่นไม่ใช่เยนชืด น, นะไม่เยนชืด น, นะแต่สงบเย็นนี่คือเย็นจากความวุ่นวายเย็นจากความเดือดร้อน แต่ไม่ได้เย็นชื่อม น, นักแข็งโคโลโคโลกเหนือไม่ใช่ไม่ใช่เลยเย็นนิ่งแข็งทื่อไม่ ป, ปราดเปรี้ยวคล่องแคล่วว่องไวเป็นอากับกริยาที่มีพลังมีแรงมีความอบอุ่นหรือจะเรียกว่าถ้าไปเรียกว่าร้อนปเรเดี๋ยวมันจะไปใช้ทับสำหวับความเดือดร้อนซะอีกมันมันมันแรงนะมันแรงแต่มันไม่จะใช้ภาษาคำว่าร้อนเนี่ยมันยากหน่อยเท่านั้นเองแต่ที่จริงมีแรงกล มันไม่ซ้อนอ๋อมันมันมันใช่ไหมซ้อนมันมันมันซ้อนอยู่มันซ้อนอยู่ตรงที่ว่ามันเร็วนะแต่มันไม่ร้อนไอ้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องกลในทางทางเรื่องทา ง, ทางวิศวะนี่นะก็คงทางช่างคงจะรู้หมุนเร็วเลยนะแต่ไม่เกิดการขัดสีไม่มีอะไรเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวอะไรลนะ่ะตัวตัวต้านทานตัว resistance นะนะ มันไม่มีมันคลั่งไปหมดเลยมันเรียบแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องเกิดขูดขัดที่เป็นความร้อนมันเย็นเย็นนะวิ่งเร็วจตเย็นเพราะฉะนั้นมันจะไปเย็นชื่นเหมือนกําลังแข็งโคตรลงเหนือไม่ได้หรอกแต่มันก็เย็นสบายเย็นไม่ใช่เย็นอย่างที่เข้าใจผิดๆตร ง, ตร ง, ตรงๆไปว่าเย็นก็คืออยาจะกลายไปเป็นน้ําแข็งไม่ใช่แล้วเย็นก็คือนิ่งๆเฉยเชยเฉยไม่ใช่เร็วไว ปราดเปรียวมีประสิทธิภาพสร้างสรรค์นี่แหะคือในในยะละเอียดในละในยะที่จะต้องพิสูจน์กันจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเดาสงบโดยได้ยินได้ฟังมามิติเดียวตื่นตื่นือก็เลยกลายเป็นเห็นพระ อ, อรหันต์นี่ก็คือหุ่นขี้พึ่งหรือว่าหุ่นที่เดินทึ่มเหมือนผีดิบชาแล้วก็จะเฉยตื่นอะไรเปล่าเลย คล่องแคล่วว่องไวออกจะครอกๆๆซะด้วยซ้าไม่ใช่ลิงนะคอกๆๆนี่แต่มันเร็วอ่ะมันก็จะเร็วคล่องแคล่วปาดเปรี้ยวแอคทีฟนะหมูเนี่ล่อแต่ภาษาฝรั่งด้วยเลยนะเรานะอย่างก็เก่งภาษาฝรั่งนักนะนี่เป็นนัยยะละเอียดที่ยืนยันให้ฟังจุดหนึ่งสะกก่อนนะ เพราะในวิญญาณเนี่ยมีเวทนามีสัญญาสังขารแล้วท่านก็อธิบายซ่อนอยู่ในนั้นอีกแล้วว่าดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารอีกแน่ไอ้หยาระดับแล้วคนได้ตายเลยเนี่ยเป็นๆอยู่เนี่ยนะพระอรหันต์เจ้าที่ยังไม่ตายนีย่คือพูดถึงนิพพานแล้วสงบเย็นแล้วสงบเย็นแล้วถ้าบอกว่าดับเวทนาดับสัญญาสังขารวิญญาณดับเจตสีสานี่เลยนะไม่ต้องเป็นดับถึงขนาดดับไ อ, ไ, อไอ้สังขารอะไรไอ ซึงก็ดับสังขารมันก็ยังเหลือเวทนาการสัญญานะดับแต่แค่สัญญาก็เป็นแท่งก่อนเฉยๆแล้วดับการกําหนดอะไรทั้งหมดเรียกว่าสัญญีสัตว์จะต้องนั่งแข็งถือไม่กําหนดไม่รับรู้อะไรเลยไม่กําหนดหมายอะไรเลยในะสัญญานี่นะเมื่อไม่กําหนดหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นเวทนาคือความรู้สึกมันก็ไม่มีความรู้สึกดับตัวสัญญาตัวเดียวเนี่ยสัญญาหมายความว่าตัวเจตสิกสัญญานี่คือมีหน้าที่กําหนดรู้และ จำจาเป็นตัวจําเหมือนเครืงคอมพิวเตอร์มันจะมีตัวบันทึกตัวบันทึกเนี่ยเป็นสัญญาอแล้วมันก็บันทึกแล้วมันก็กําหนดออกมาตัวคอมพิวเตอร์มันไม่มีอะไรไปปลอมแปลงมันก็เลยกําหนดออกมาตามที่มันบันทึกทุกอย่างแต่คนเนี่ยมันลืมได้ด้วยสัญญาออกมาไม่เต็มบันทึกไว้หมดจริงอยู่แต่เอาออกมาใช้ไม่หมดลืมสัญญามันไม่เที่ยงอย่างนี้ สัญญามันขี้เก้อย่างนี้ของคนนะแต่เอาเทิร์นเคอมพิวเตอร์แก่ๆมันก็บันทึกไว้มันก็มันเอามาใช้หมดไม่ได้มันกับบางทีเอามาอ้าวหายหรือเสียหายมันมันก็ได้เหมือนกันแต่คนเราเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่ามันอันนิจจังมันไม่เที่ยงสัญญามันกําหนดลงไปบันทึกลงไปก็บันทึกลาไปรับหมดนะแต่รับไว้ไม่หมดอ่าไม่ใช่ภาษาไทยเลยภาษาไทยนะรับไม่หมดนะแต่รับว่าไม่หมดที่จริงมันรับหมด แต่เอามาใช้ไม่หมดจำไว้นะฟังไว้ตรงนี้สัญญานนเนี่ยคนนี่รับไว้หมดแต่เอามาใช้ไม่หมดเอามาใช้ไม่ได้ใช้ภาษาแทนว่าลืมหรือไม่ลืมหรอกแต่เราแบ่งสัญญาเอามาใช้นี่เราก็เอามาใช้ไม่หมดเรารู้อยู่ว่ามีอยู่จาได้อยู่แต่เราเอามาใช้ทันทีไม่หมดเอามาใช้หมดไม่ได้ด้วยคุณจำคุณรู้อะไรได้มากมายแต่เวลาคุณใช้นี่คุณไม่เก่งหรอกไม่เก่ง พระฉะ้นต้องมาฝึกให้เก่งเอามาใช้ให้มากที่สุดถ้าใจมากได้อัตามาก็พยายามอยู่นะจะเอาสัญญามาใช้ให้มากที่สุดนะไม่ใช่ไหมพยายามนะพระเจ้าที่พยายามย้อนสัญญาฝึกสัญญาเนี่ยให้เก่งขึ้นไหมแล้วท่านก็เก่งขึ้นท่านก็จํ า, าจได้มากดึงเอาของเก่ามาใช้ได้มากอัตามาก็ดึงมาใช้ได้มากเหมือนกันแต่กระถิออัตมาละนะมันไม่หมดไปหรอกแต่มันเอามาใช้ไม่หมดเอามาใช้ไม่ได้หมดเป็นความสามารถชนิดหนึ่งทีนี้ความรู้สึกเวทนาเนี่ยเป็นความรู้สึก รู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกรู้สึหรือว่ารู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยแบ่งไว้สามขั้นง่ายๆก่อนท่านแบ่งไว้ตั้งร้อยแปดแนวความรู้สึกอ่ะอัตมาอธิบายม่หมดเราจำร้อยแกันยังจำไม่ได้หมดเลยนะมีความรู้สึกว่าง่ายๆรู้สึกอร่อยรู้สึกชอบรู้สึกชังรู้สึกรังเกียดรู้สึกริษยารู้สึก ปฏิพัตไปในทางกรรมรักไปในทางกรรมรู้สึกรักในทางที่เป็นยาิรักอย่างเอนดูรักอย่างอยากให้เขาได้ดีรักอย่างอะไรก็ได้เป็นความรู้สึกทั้งนั้นแหละเวทนาที่วิเศษหรือเวทนาที่เลวร้ายเวทนาที่วิเศษก็มีเวทนาที่เลวร้ายก็มีนะนี่เรียก ว, ว่าขันหเอาทีนี้ตัวสาคัญสังขารบอกว่าโอ้นผู้ดับสังขารแล้วนะ ดับเวทนาดับสัญญาก็พอจะได้ยินแต่ว่าคงยังต้องลึกไปอีกอาตมาอธิบายไว้แค่นี้ก่อนดับสังขารผู้ดับสังขารได้คือผู้ที่ไม่มีทุกข์ความจริงแล้วจริงดับสังขารดับสังขารคืออะไรดับสังขารคือมีกิเลสเข้าไปสังขารมีกิเลสเข้าไปร่วมสังขารด้วยนี่และดับสังขารตัวนี้สังขารที่มีกิเลสเข้าไปร่วมปรุงด้วยร่วมมีบทบาทด้วยในจิต นี่ตัวนี้เท่านั้นถ้าเราดับกิเลสได้จริงๆริงกิเลสไม่ร่วมสังขารด้วยเลยได้เลยนี่นะจิตเราก็จะสังขารเพราะว่าขันห้าไม่หายไปเบชนาสัญญาสังขารยังมีอยู่พระอรหันต์เจ้าบรรลุนิพพานแล้วก็ยังมีขันห้ายังมีความรู้สึกะจะรู้สึกชอบรู้สึกชังโดยความหมายนะว่าเออนี่เห็นดีด้วยในเรื่องคาชอบ อันนี้ไม่เห็นดีด้วยเดว่าชังภาษาง่ายๆนี่นะถ้าเพราะว่าคนที่เป็นปุตุชนไม่เห็นดีด้วยทําลายหรือว่าผลักเห็นดีด้วยดูดข้าจะเอาข้าจะเอาข้าจะเอาแต่พออรหันบอกเห็นดีด้วยหรือเดว่าชอบแล้วควรแล้วเดว่าสัมมานชอบเป็นไปโดยชอบคิดชอบพูดชอบทําชอบอะไรก็แล้วแต่ชอบแล้วดีแล้วเห็นด้วยเห็นดีด้วยแต่ท่านจะไม่มีเกลียดว่า ข้าจะเอาข้าจะเอาไม่มีพระอรหันต์ว่าต้องมาเป็นของข้าข้าจะเอาให้ได้ห้อือยากได้มาเป็นของข้าพระอหรหันต์ไม่มีแต่ถ้าบอกว่าเห็นดีด้วยนะชอบแล้วควรแล้วเออควรสร้างขึ้นพระอหรหันต์จะร่วมสร้างพระอหรหันต์จะช่วยสร้างได้ได้ช่วยสร้างช่วยทำได้สร้างขึ้นมาแล้วจะเป็นของเราโดยสิทธิถ้าเราสร้างมันก็เป okay. ็นสิทธิของเราโดยสุจริต พระอรหันเจ้า ก, ก็ไม่ได้ติดใจว่าเป็นของเราจะแจกจ่ายเจียวจานเ อ, อื้อเ อ, อื้อเฟื้อเผื่ อ, อ, อ, อแผ่คนอื่นได้ทีเดียวส่วนบุุรชนบอกของข้าเอามาตรงแหลกสิราคาเท่านี้ไม่ราคาเท่านี้ก็อะไรก็แล้วแต่เถอะทํามีกิเลสมากก็ไม่ให้อะเ็าไปซื้อกองคุณแต่ถ้าไป ม, มีกิเลสมากคุณจะแจกจะจ่ายหรือว่ามีกิเลสมากให้เหมือนกันนะแต่ให้มีเหลี่ยมให้มีเลขให้มีวิธีการเชิงกลให้ไปราคาจะต้องได้อะไรตอบแทนมาบ้าง ให้เธอไปเธอจะได้มารักฉันให้เธอไปเธอจะได้มาศรัทธาฉันอะไรก็ได้มันมีเอี่ยวมันมีอะไรที่มันเป็นบุมแรงโคงมาหาตัวเองให้ได้ตัวเองไปเสมอมันไม่บริสุทธิ์นะสรุปง่ายๆตอนนี้ก่อนว่าสังขาร น, นี้จะต้องเข้าใจประเด็นหลักสำคัญเลยว่าไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมสังขารปรุงในจิตวิญญาณและเป็นชายได้นี่คือดับสังขาร แม้แต่ร่างกายเนี่ยเราก็เรียกสังขารเป็นองค์ประชุมแต่มันประชุมไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมันก็เป็นของธรรมดาของสังขารร่างกายส่วนสังขารที่มันเป็นพิษเป็นภัยหรือว่าเป็นโทษหรือว่ามันไม่ดีไม่งามก็คือสังขารที่จิตนะสังขา ร, รจิตหรือจิตสังขารที่มีกิเลสเข้าไปร่วมนี่ในระยะละเอียดถ้าเราดับสังขารกิเลสกิเลสไม่มีขึ้นไปสังขารได้หมดเป็นพระอรหันเลย ส่วนพระอาหารหันต์จะสังขารอย่างไรก็เป็นปุญญาพิสังขารของพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าก็สังขารท่านพระพุทธเจ้าสังข า, ทาราขาท่านเรียกว่าอิทธาพิสังขารอิทธะบวกอภิอภิเนี่แปลว่ายิ่งอิทธะก็คือมีฤทธิ์มีแรงมีประสิทธิภาพสูงมีปาฏิหาริย์อิทธิมีฤทธิ์แรงมากยิ่งอิทธาพิสังขารปรุงได้อย่างเก่งปรุงได้อย่างที่ไม่มีพิษมีภัย ปรุงได้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลจะปรุงจะสร้างจะแต่งจะคิดจะนึกอะไรถ้าเราเข้าใจผิดว่าไม่สังขารเลยแน่นอนคนก็ไม่ปรุงโดยเฉพาะมาสอนเรื่องจิตปัญญาณสังขารอย่าปรุงอย่าคิดคนก็มือถือไม่ค่อยคิดคิดปรเนี้ยมันปรุงมันทุกอคิดไปได้มันปรุงมันก็ทุกจริงมันก็ทุกนะโดยสัจจ์เนี่ยเราคิดปรุงนีง่มันก็ทุกแต่ทุกแล้วเราไม่ได้มาเป็นเราเป็นของเรา ไม่ได้ติดยึดออกมาเป็นเราเป็นของเรามาบ่มเรอเรามาเอาเปลียเอารัดอะไรอันนี้แหละมันเป็นตัวคุณค่ามันเป็นตัวประโยชน์มันเป็นตัววิเศษเป็นตัวประเสริฐที่มนุษย์จะต้องทําให้ได้ทําไม่ได้ตัวนี้แหละเต็มตัววิเศษจริงๆมันเป็นตัวสําคัญมากนะอนทีนี้อาตมาอยากจะเจาะลึกไปสักก่อนเจาะลึกในยักอันที่ตั้งใจจะพูดอันนี้ก็ขยายความประเด็นของเวทนาสัญญาสังขาร แล้วก็วิญญาณวิญญาณก็คือค่ารวมของเจตสิกษามเนี่ยทำงานทำงานเสร็จแล้วมันก็ส่งไปไปที่วิญญาณวิญญาณก็เก็บรักษาไปเป็นชื่อรวมวิญญาณมือนก็ร่างกายคนเนี่ยเรเรียกว่าคนประกอบไปได้หัวด้วยแขนด้วยขาด้วยลำตัวเอาพูด ง, ง่ายๆนะเอาแต่ส่วนย่อยๆไว้ก่อนหัวแขนขาลำตัวกับกายคายกเวทนาสัญญาสังขารรวมแล้วอะไร คนรวมแล้วด้วยคนวิญญาณก็ในยะเดียวกันวิญญาณก็เรียกว่านี่มันคนคนก็ประกอบไปด้วยเจตสิกสามซึ่งมันก็ทํางานตามหน้าที่ของมันนวิญญาณก็เป็นข้ารวมนอมนุษย์นั่นนะจุดสํำคัญที่อาตมาตั้งใจจะอธิบายในคราวนี้ก็คือว่าต้องเห็นความจริงให้ได้ว่าขันห้าของคนเนี่ยนะขันห้าของมนุษย์เนี่ย มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้เอาละคําว่าที่แท้ไปเดี๋ยวก็จะงงนะก็มันก็คนแท้แท้มันไม่ใช่ตัวปลอมเท่าไหร่ไม่ได้เอาหุ่นมาทุกวันนี้ก็จะสร้างหุ่นคนให้มันเป็นคนแท้คนก็พยายามจะทําให้มันเป็นคนไอ้คนเนี่ยมันสร้างให้มันเป็นคนแท้ไอ้นี่มันไม่ใช่คนแท้แน่ๆปรเดี๋ยวจะบอกว่านี่ก็คนแท้เดี๋ยวอาตมาว่านี่ไม่ใช่มนุษย์แท้รอกขันห้าเนี่ไม่ใช่มนุษย์แท้แท่ปเดี๋ยวจะงงเอาถ้าเอาว่าเป็น เป็นมนุษย์ไม่เที่ยงก็แล้วกันไม่เที่ยงแท้นะเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์นี่ไม่เที่ยงแท้มีภาษาคํานึงว่าถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงนี่เป็นทุกข์หรืเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงมันอนิจจังมันไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่มีหลอกสุขอาตมาเนี่ยก็อยู่อย่างไม่ค่อยจะเที่ยงกระดูกกระเดกอยู่เสมอไม่นิ่งข้างหน่อยไม่เที่ยง ถ้าอยู่นิ่งๆอะ่ะโอ้ยสุขกว่าว่างกว่าง่งายกว่าเบากว่านั่งนิ่งๆสบายแต่นั่งนิ่งๆอยู่นานๆไปนี้มันก็ไม่ขยับขยื่นเลยเนี่ยมันก็ทุกข์อีกแหละมันจะนั่งนิ่งได้เท่าที่เราฝึกเพียรให้จิตมันยอมรับจิตมันยอมรับฝึกไปจิตมันยอมรับมากขึ้นก็นั่งได้ทนทนถึงทนยังไงมันก็ต้องขยับขยือน คุณยังไม่ตายคุณก็ต้องขยขับขยื่อนอย่างนั้นก็ต้องขยขับขยื่นไปทำธุรกิจ น, นนี้ไม่มีอะไรก็ปวดขี้ปวดเ ย, ะยาะจะต้องไปกินอาหารจะต้องไปนั่นไปนี่มันต้องเปลี่ยนอิริยาบถอะไรก็แล้วแต่นะสรุปพวรวดลงตรงนี้ลงไปก่อนเลยว่าถ้ายังไม่ตายแล้วเป็นร่างกายมนุษย์ยังมีจิตวิญญาณอยู่ในตัวเนี่ยมันต้องกระดุกกระดิกมันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมันไม่เที่ยงมันต้องกระดุกกระดิกถือว่าทุกได้หมดแต่ทีนี้ ความเป็นทุกข์เนี่ยมันก็แตกต่างกันขนาดทนได้หรือทนไม่ได้มันมีอีกเยอะแยะนะทีนี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะพอศึกษาธรรมะมาเนี่ยยินมาหูแชนแล้วทั้งนั้นะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในยินมะหูแชเลยจริงๆนะมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆโดยเฉพาะริ้งรูปขันเนี่ย รูปขันเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันไอที่เป็นเรานี่นามมาทําเป็นเรากว่าร่างกายกว่ารูปเพราะฉะนั้นคนที่ไปหลงรูปมากประคบปงมรูปมากเนี่ยส่วนมากผู้หญิงเนี่ยจึงโง่มากกว่าผู้ชายนี่เป็นของจริงความจริงไม่ได้ว่าไม่ได้ดานะเดี๋ยวหาอาตมาด่าผู้หญิงอีกอาตมาไม่ได้ดา่า ประกอบงมมันมากกว่าออ้ยระมัดระวังแหมผิวมันหยาบแล้วอะไรแล้วแหมเช็ดมันแล้วเช็ดมันอีกถูมันแล้วถูมันอีกอประกอบงมตกแต่งอะไรมันมากมายกายกองพอไม่พูดมากกว่านี้พูดมากกว่านี้อาจมาเดี๋ยวก็เกิดถูกเกตทั้งมากกว่านี้ขนาดนี้ก็ยังหนักหนาสากันอยู่แล้วนอมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ มันอยู่กับเราหรือเราอยู่กับมันที่จริงเราเอาศัยมันนี่แหละไปได้อย่างเก่งจนสักร้อยปีพอร้อยปีแล้วใช่ไหมตอนนี้ใช่ของเราไหมไม่ใช่ไปถึงร้อยปีหรอกน้อยร้อยปีเอาเถอะถึงร้อยปีก็เอาเถอะไม่เป็นไรใครจะเอาถึงร้อยปีก็เอานะร้อยปีนี่งมแทบจะไม่อยากได้แล้วแหละนะ ร้อยปีเนี่ยโอ้มันจะยังไงนะมีคนอยากจะให้อัตมาอยุร้อยปีเหมือนกันอัตมาก็ยังนึกอยู่เหมือนกันนะโอ้ร้อยปีแล้วมันจะอยู่ยังไงเนี่ยมันจะสุขหรือมันจะทุกข์กันมากกว่าเก่านะเนี่ยขนาดทุกวันนี้อัตมาก็ว่าางกายอัตมาอัตมาไม่ทุกข์กันมาันนักหนาเราว่าจะยกแขนยกขาจะก้าวจะไปจะยากจะมาอะไรมันก็ยังเข่าคล่องมันยังง่ายอยู่เนี่ยมันยังมีกําลังวังชากล้ามเนื้อพลังงานอะไรก็ยังพอประมาณสรุปง่ายๆก็คือว่ามันไม่ใช่ของเรา เอาไว้ไม่ได้มันจะถึงเวลาเสือเส่อมเสื่อมธรรมชาติของมันทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีการเกิดขึ้นไปถึงระดับหนึ่งที่สูงสุดแล้วจากนั้นไอ้ขึ้นไปถึงจุดสุเนี่ยเราเรียกว่าเจริญจากนี้ลงมาเนี่ยเราเรียกว่าเสื่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมหรือดับไปเสื่อมแล้วก็ดับไปเป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรละเวน้นจิตวิญญาณก็เหมือนกันเราจะนี้ยังไม่ได้กล้าวขึ้นไปขึ้นถึงจิตวิญญาณ เพราะในขันธ์ห้าของคนเรานี่ร่างกายชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเชื่อมึงไม่เล่าเนี่ยทักเชื่อขึ้นมาจิตหนึ่งแล้วบางคนอาจจะบอกว่าเชื่อมากมแล้วละ่ะแต่อาตมาข อ, อยืนยันว่ายังจิตเดียวเพราะคุณยังรักมันมากอยู่จริงๆคุณยังรักมันมากอยู่โดยเฉพาะคนที่ยิ่งประครบประงมมันมากเกินไปแต่จริจริงดูแลมันกับประครบประงมนี่ต่างกันนะภาษาเราต้อง ดูดูแลร่างกายเราให้มันสมดุลให้มันได้แข็งแรงออกกําลังกายให้มันทํางานที่จริงออกกําลังกายนี่คือทํางานทํางานให้ได้สมดุลให้ได้สัด ส, ส่วนเราจะมีผลพลอยได้จากแรงงานหรือผลผลิตจากแรงงานที่เราทําด้วยมันได้ออกกําลังกายด้วยเมื่อคนที่ไม่ค่อยทํางานขี้เกียจขี้ค้านอยาจะหยุดหยุดอยู่ๆเนี่ยมันไม่ไหวหรอกนะภาษาโลกรู้เขาก็บอกว่าเด็ก็เส้นยุดเนี่ยง่ายๆนะเด็กก็เป็น ไม่ต้องเอาอะไรแล้วคุณเอาแต่นอนนอนนอนนอนไปเดี๋ยวมันก็เป็นอัมาพาตหมดทุกส่วนนั่นแหละไม่ได้นะมันต้องเป็นสัจจะอาตมาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรถ้าคุณเข้าใจโดยหลักแรงกลธรรมดาแล้วมันก็ต้องขับเคลื่อนเมื่อขับเคลื่อนแนละ้วมันก็ยิ่งคล่องแคล่วมันก็ยิ่งเกิดพลังงานยิ่งเป็นพลังงานธรรมชาติมันจะขับดุนมันก็จ ะ, จ ะ, จ, ะ, จ, ะจะสังเคราะห์จะสูบจะเกิดฟิสิก์ขึ้นหมดทั้งหมดนะเกิดแรงกลทางวิทยาศาสตร์เกิ ฟิสิกส์ขึ้นมาในร่างกายทั้งหมดมันก็จะขับเคลื่อนไอ้ที่มันนำทหน้าที่ของมันขับสิ่งที่ควรขับเอาสิ่งที่เป็นสังเคราะห์เอาไปสังเคราะห์ขับเปลี่ยนหมุนเวียนให้มันได้สัดส่วนดูดหยดได้สมบุรณอะไรควรเอาเข้าควรเอาออกมันเป็นธรรมชาติของมันที่ได้สัดส่วนที่สมบูรณ์อ่าเพราะฉะนั้นต้องคล่องแคล่วต้องเอ่อเคลื่อนไหวต้องทําอะไรอะไรให้มันได้สัดส่วนเพรมันอยู่อย่างดีจะทนจะนานอันนี้เป็นเรื่องจริงๆเล ย, ายศาสตรจาตวิทยาศาสตร์แล้ว พุทธศาสตร์ก็ตามไม่ได้ผิดพลาดอะไรตรงกันนะไม่มีผิดเพี้ยนอะไรนะประเด็นนี้ข อ, อ, อแอบถว่าเอาตรงนี้เป็นประเด็นที่เจตนาจะอธิบายคันห้านี้มันไม่ใช่ของเรานะตอนนี้รู้แล้วและอาตมาก็เชื่อว่าเชื่อแล้วนะใครไม่เชื่อชังคุณนะอันนี้อาตมาไม่รับผิดชอบอาตมาไม่รับผิดชอบอันนี้นะเป็นแต่เพียงว่าอาตมามีความจริงใจที่บอกให้คุณ ฟังด้นั่นเองว่ามันไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราจะต้องพัฒนามันนี่สําคัญตรงนี้การเรียนธรรมะเนี่ยมันมันเลยเถิดพอบอกว่าขันห้านี่ไม่ใช่ของเราพอไม่ใช่ของเราเหลอไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ต้องหัวซามันนี่ภาษาอีสาน ไม่หัวซามันแล้วแปลเป็นภาษาภาษาภาคกลางว่าฮะไม่เอาใจใส่มันป ล, ปล่อยปละละเลยมันมันบอแม่อมอของเข้าขเขาก็บอกฮัวซามันแล้วเราก็เลยเพราะมันไม่ใช่เราเพราะเราเชื่อว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เลยเลยเถิดไปเลยเถิดไปบอกเราก็ไม่เอาใจใส่มันไม่ดูแลมัน สำคัญที่สุดก็คือไม่พัฒนามันนี่แหละคนใช้อะไรมากที่สุดใช้ชีวิตใช้เถียงชีวิตประกอบไปด้วยร่างกายกับจิตวิญญาณขยายความไปอีกนิดหน่อยหนึ่งคนเราใช้ชีวิตมากที่สุดนี่จะใครยังไม่เชื่อผมใช้เงินมากครับ อย่ามาอ้างจะให้ยากเลยผมใช้เงินมากที่สุดครับในชีวิตไม่เจ๊งอ่ะคณใช้ชีวิตมากที่สุดคนเราในใช้ชีวิตมากที่สุ ด, ช, ช, สดชีวิตประกอบไปด้วยกายและจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนากายและจิตทีนี้ไปเรียนธรรมะจิตเป็นสำคัญจิตเป็นใหญ่พัฒนาแต่จิตกายไม่พัฒนาก็ตายง่ายสิเพาะ อ่เลยไม่ได้พัฒนาอะไรนานเลยก็ไม่พัฒนากายไม่ต้องไปเอาใจใส่มันเราไม่ต้องไปดูอะไรมันนักรอกไม่ต้องไปอะไรล่ะก็กะเดินมันให้รถชนไปได้ง่ายก็ได้มันไม่ใช่ของเราอะ่ะเดินรถก็ชนแล้วมันก็ตายไปก็ธรร ม, าามาดาอ่ตกล้มตกบอ่ออะไรไปก็ฉางหัวมันเถอะมันจะกินจะอยู่ยังไงก็ฉางหัวมันเถอะกินไปเถอะเด้วมันก็ไม่ตายแล้วก็ได้กินมันก็ไม่ตายโงเง่าไปหมดกินก็ต้องเลือกกินนะ อาตมาใช้คําว่ากินเลือกกับเลือกกินส่วนคนกินเลือกนี่นะกิเลสกินเลือกไอ้ที่มันชอบไอ้ที่มันอร่อยไอ้ที่มันกิเลสกินเลือกนี่กิเลสถ้าเลือกกินนี่คือต้องรู้จักกินเลือกให้ถูกว่าควรกินอะไรเช่นเรามาเลือกกินข้าวกล่องเป็นต้นมันเลือกกิน ที่มันมีประโยชน์มาเลือกกินอาหารที่มีคุณค่ากินให้ได้พอประมาณมากไปก็ไม่ถูกน้อยไปก็ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ยี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆนะอธิบายรายละเอียดมากไ ป, ไปเดี๋ยวก็ยอะเยอะนะจะกินก็ตามในร่างกายเรานี่เราก็ต้องพัฒนาให้ร่างกายจะใช้งานมันก็ตามจะให้มันได้ใช้งานได้ทํางานมันก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวใน ต้องออกกาลังกายอย่างโง่ๆเดี๋ยวนี้คนโง่เยอะออกกําลังกายก็ไปเสียเวลาไปสร้างสนามข้บอกกําลังกายโอ้โหชิบหายไวผมไม่รู้ตเท่าไหร่ก็จะได้ออกกําลังกายเจบคุณเลยนะได้ออกกําลังกายคือมันโง่ยิ่งโง่งงขึ้นทุกวันนะยิ่งเปลืองยิ่งแพงกันไปทุกวันนะได้ออกกําลังกายยิ่งแพงเท่าไหร่แล้วมันก็อวดอ้างกันในโลกว่าข้าจะออกกําลังกายทั้งทีอาจข้าจ่ายไปเยอะนะถ้าเองไม่มีเงินเองไม่ได้ออกกําลังกายอย่างข้าหรอกแล้วก็มาคุยข่มคนอื่น เออดีก็ยิ่งโง่ไปนนะล้วนะก็เราออกกําลังกายถูกถูกมันเป็นไรออกกําลังกายให้มันได้สมสัดสมส่วนให้ได้ออกกําลังกายแล้วถูกด้วยแล้วมีผลพลอยได้ตามมาด้วยออืหคนคนนี้นี่ออกกําลังกายวิเศษคืออาตมาพาคนออกกําลังกายนะพาเน็ดพาเหนื่อยเหมือนกันนะอาตมาว่าไม่ต้องไปลงทุนอย่างนี้มากมายหรอกจะได้สิ่งที่ปเป็นประโยชน์ขึ้นมาตั้งเยอะตังะ้งแยะเช่นอาตมาชวนกันมาออกกําลังกายมาสร้างวิหารฟรีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเห็นไหม ไม่ต้องเปืองหรอกแล้วก็สร้างสรรคได้สิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมาทํางานและวิวหารนี้อาตมาไม่สร้างมาเพื่อที่จะมาบำเรอบํารุงด้วยอาตมาขอยืนยันจะใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดน่จะเป็นคุณค่าที่จะต้องไปได้โดยเฉพาะทางจิตวิญญาณต้องมีอะไรตะไรอีกซ้อนซับไปอีกอมากทมายนะเนี่ยเราก็จะต้องพยายามพัฒนาขันห้าจริงๆนี่ตัวประเด็นที่อาตมาว่าขันห้าไม่ใช่ของเราแต่ขันห้านี่เราเราใช้มันมากที่สุดในในคนทุกคน ไราต้องดูแลทั้งกายและจิตต้องพัฒนากายและจิตพอไม่ได้รับคําสอนว่าพรรักปฏิบัติธรรมจิตเป็นสําคัญจิตเป็นหนึ่งจิตนันะ้ะปฏิบัติที่จิตกายไม่สําคัญเลยทิ้งเลยเถิดไปเลยนี่ก็เสียหมดเพราะฉะนั้นไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นแม้เอาใจใส่ร่างกายเจ็บป่วยก็ชาวบ้นเอถอะชาวบ้นเอนถอะ ม, มันธรรมชาติมันเจ็บมันป่วย ธรรมชาติก็ต้องดูแลมันพอสมควรแต่ไม่ใช่ไปโอบมันเกินไปหัดอดทนบ้างก็แก้ไขมันบ้างตามเหมาะตามควรต้องดูแลรักษาเรามีความรู้มีหมอมีคนที่เรียนรู้ดังด้านนี้จะดูแลรักษาก็ดูแลรักษาช่วยเหลือกันจะเสียเงินเสียทองบ้างในฐานะที่เรายังช่วยตัวเองไม่ได้หมดพอเราช่วยกันเองก็ยังจะต้องจ่ายเงินก็ต้องจ่ายไปบ้างให้พอเหมาะพอควรอันไหนที่เราช่วยได้ก็ช่วยกันช่วยตัวเองไม่ได้ก็ผู้นั้นผู้นี้ช่วย ถึงว่าเราต้องจ่ายเงินต้องจ่ายไปต้องกล้าได้ตาเสียต้องเห็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์สําคัญแม้แต่รูปธรรมก็ต้องพัฒนามันโดยเฉพาะยิ่งเวทนาสัญญาสังขารตัวนี้แหละจริงๆแล้ววิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวบอกราคารวมของเวทนาสัญญาสังขารต้องพัฒนาเวทนาพัฒนาสัญญาพัฒนาสังขาร เราเรียนมาแล้วว่าดับสังขารเห็นไหมมันซ้อนฟังดีๆนะ่ยธรรมะเนี่ยอัตมาหยิบมาพูดเนี่ยหยิบมาโดยที่ว่ามันยังไม่เข้าใจตลอดมันยังไม่เข้าใจสมบูรณ์เนี่ยดับสังขารได้นี่แหละเป็นผูดที่จะบรรลุอรหันต์แบบนั้นนะฟังมาดับสังขารดับสังขารกับพัฒนาสังขารเนี่โอโหคุณฟังดูสิฟังดูสิดับสังขารกับพัฒนาสังขารนี่มันคนละเรื่องเลย คนก็เลยมานั่งสงกดจิตดับไม่ให้สังขารไม่ให้ปรุงไม่ปรุ ง, รงแต่ถ้าพัฒนาสังขารต้องให้มันปรุงนะและปรุงแต่งอย่างวิเศษด้วยในจิตถ้าคุณมีกิเลสเข้าไปสังขารคุณต้องเคียดแต่กิเลสนะออกฟังมาแล้วอตาตมาพูดเบื้องต้นมาให้ฟังแล้วอ่าเล่าบิณ ญ, ญาณเวทนาสัญญาสังขารแม้เป็นพระอาหาันก็ยิ่งสังขารเก่ง นี่แหละเป็นประเด็นที่สําคัญเพราะฉะนั้ในใครที่พัฒนาขันท่าหรือว่าการมาปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจขันท่าแล้วก็ทํากับขันท่าอย่างซื่อบือ้อดับสังขาร น, นั่นแหละดับสังขารได้บรรลุอรหันต์จบเลยคนเข้าใจตื้อแค่นี้มิติเดียวอย่างงี้นะรับรองคนนี้ไม่มีทางเป็นอรหันต์ไม่มีทางเป็นอรหันต์ไม่มีทางเป็นอรหันต์ได้ยินไหม นี่เป็นศิลปะในการเทศการบรรยายนะันต้องใช้วิธีการอย่างงี้แนะสมัยนี้เขาก็ใช้วิธีนี้มาทำเป็นเพลงมาทําอะไรร้องก็รอย่างนี้อัตมาศิลปินศิลปินเดี่ยวด้วยเกิด <c oughs> จะลนซ้ำอยู่แล้วศ <c oughs> ิลปินเดี่ยวด้วยแต่จริงๆอัตมาไม่หรอกไม่ได้เป็นศิลปินเดี่ยวแบบลนซ้ำหรอกอัตมามีคู่เมีมีทั้งหางเครื่องมีทั้งคอรัสยเยอะ อาตอมาไม่ใช่ศิลปินเดียวที่อ้างว้างดีไม่ดีมีคู่แข่งด้วยศิลปินไม่ไม่ใช่ว่าโดดเดี่ยวจริงๆมีคนมีคู่แข่งด้วยนะพอถ้าเราไม่เข้าใจผิดเวทนาสังขารเวทนาสัญญาสังขารนี้ต้องพัฒนามันไม่ใช่ของเราถูกแต่เราต้องดูแลมันต้องพัฒนามันยิ่งเราเอง เป็นผู้ที่ได้ศึกษาเนี่ยถ้าเข้าใจผิดแล้วไม่พัฒนาเวทนาไม่พัฒนาสัญญาไม่พัฒนาสังขารถามจริงๆเธอคุณอยากเป็นพระอาหารหันต์สัญญาปแปล ว, ว่าความจาเนี่ยนะเอาความจำาตัวเดียวก็ได้คุณอยากจะเป็นพระอาหารหันต์ที่จำไม่ได้หรือว่าเป็นพระอาหารหันต์ที่จำได้เก่งนะก็คงไม่มีใครจะโง่หรือบ้าต่อว่าจะเป็นพระอาหารหันต์ที่จาไม่ได้อะไรไม่ได้เลย ดีกว่าก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์ที่จําได้ดีสัญญาดีสัญญาพัฒนาสัญญาเจริญไม่ใช่สัญญายิ่งเสื่อมสัญญายิ่งใช้ไม่ได้คุณอยากเป็นพระอาหารหันต์ที่มีความรู้สึกดีหรือความรู้สึกไม่มีความรู้สึกเลยอ่าตอนนี้อาจจะตอบยากกว่าสัญญาอ่าถ้าเป็นฤาษีก็บอกว่าเราอยากเป็น พาาาระอรหันต์ที่ไม่มีสัญญาไม่มีความรู้สึกเลยสงบจริงๆนะสัญญาหรือว่าดับเวทนาดับสัญญานั่งแข็งปึ๋งเลยหสบายดีว่างดีเขาก็ชอบของเขาแล้วคนมีแนวคิดความเห็นไปในทางนั้นเขาก็จะไปฝึกเอานั่งให้สงบแบบนั้นนี่ไม่ใชนะ่พุทธนะพุทธพัฒนาเวทนาพัฒนาความรู้สึก แต่เรารู้แล้วว่าแม้ความรู้สึกนั้นจะเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดมันก็ไม่ใช่ของเราและความรู้สึกที่ดีที่สุดคือความรู้สึกอุเบกขาไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์เป็นอุเบกขาหรืออาทุกข์มสุขเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดเป็นฐานสำคัญอตมาเรียกอุเบกขาฐานอุเบกขาเวทนาน้ว่าฐานนิพพาน อุเบกขาก็ไม่ได้ว่าอุเบกขาก็คือเฉยเดอ้ออาตมาเรียกอุเบกขาเฉยเดอเฉยก็คืออะไรก็เฉยเฉยเข้ามาเฉยไม่รู้เรื่องไม่รู้สาลุสมไม่รู้สึกอะไระและถ้าจะเป็นพระอาหารหันต์แล้วไม่รู้สึกแม้กระทั่งตีหัวก็ไม่เจ็บแมมาหน่อยเถอะพระอาหารหันต์ลงไหนก็แล้วแต่มา พระอาหารหันต์ได้บอกว่าถึงอุเบกขาแล้วมาเลยอุเบกขาประเภทตีหัวก็ไม่รู้สึกเจ็บนมาอัตมาจะทดสอบจึงฝึกได้เหมือนกันในเรื่องของการฝึกว่าทนทานต่อความเจ็บปวดเนี่ยสะ ก, กดจิตให้รู้สึกมันเป็นอุปทานต่อต้านอีกชนิดหนึ่งเท่านั้นเองประสาทมีรู้สึกได้ก็ทำให้ประสาทชาอตมาเคยฝึกหัดมาสะ ก, กดจิต สะกดจิตให้ลึกแล้วก็สั่งจิตเขาเลยเอาน่าเขาก็ทําตามเพราะว่าโมสกดจิตเขาดีแล้วเขาก็รับความรับถ่ายทอดเอาเอา เ, อา เ, อาเรับไปผู้ควบคุมเป็นผู้ดูแลเขาก็ยอมทําตามเอาทําความรู้สึกตัวเองนะนี่ชาด้วยนี่ชาไปหมดเลยนี่มีใครเรียนมายิ่งเรียนมาทางวิทยาศาสตร์มีปัญหาอะไรหรอกหมอประพันธ์นี่ก็สอนนี่เนี่อรพินอยู่นี่ทันตแพทย์ทันหรือเปล่าหมอประพันธ์ผียผลเป็นอาจารย์มาน า, นาอาจารย์สอนสกดจิต สอนให้ชาชาเคยแสดงให้ดูไม่เคยเห็นไหมชาแล้วก็ถอนฟันโดยไม่ต้องฉีดยาชาแต่ต้องสะกดกันนานนะกว่าจะชาสั่งชาได้นานพอด้วยถ้านานไม่พอประเดี๋ยวไปาขายชาเดี๋ยวยุ่งอ่เดี๋ยวยุ่ ง, อยยงตอนนี้ต้องใช้ยาฉีดแทนแล้วถ้ามันชาไม่พอทำไม่เสร็จนึงถึงใช้ยาฉีดแทนแล้วนะให้ชาได้แม้จะผ่าตัดก็ให้ชาได้อย่างนี้เป็นต้น ถ้าสั่งให้ชาได้มันอุปทานมันเป็นเรื่องอุปทานนี่โอ้โหวุ่นวายเยอะแยะนะแม้แต่เราสะกดจินเล่นกันนี่นะเอาหน้าต่อไปนี้นะเราสะกดให้ลึกแล้หลับลึกแ ล, ล้วให้รับคําสั่งในเต็มที่ต่อไปนี้จะเอาเหล็กเผาไฟแดงๆหน้าพี่แขนนะาเหมือนน้าเอาหน้าเหมือนน้าหน้าพี่แขนที่แท้เราเอาไม้บรรทัดอันหนึ่งก็ได้ดินสอดำแท่งหนึ่งก็ได้ แต่พับกนอน่ิแคนี้สลับเลยนะโอ้โหพองเลยนะความจริงมันจะพองเลยเล่าะอดิซอธรรมดาเลยแต่นี่จะพองไหมแต่พองจริงๆนะนี่คืออุปทานพองจริงๆเลยพองแดงพองขึ้นมาเลยนี่คืออุปทานเพราะฉะนั้นจิตที่มีอุปทานนี่เป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้เกินความจริง เกินความจริงชนิดหนึ่งเกินความจริงไปชนิดหนึ่งแต่มันก็เป็นความจริงในอุปทานเอาพริกให้กินสะกดจิตแล้วเอาพริกกินเอาหวานนะกินพริกเฉยหวานก็พริกมันหวานที่ไหนแล้วกินพริกเฉยกินหวานได้เฉยเเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนเวทนาได้เปลี่ยนเวทนาร้อนเปลี่ยนเวทนาเย็น เพราะฉะนั้นไปเดินบนไฟเขาก็เดินได้สกัดจิตนะพ่นี้เน่นทางอุปทานจิตทั้งนั้นน่ะเขาเดินลุยไฟแล้ไม่ร้อนก็ไม่ร้อนดิมันมันมันมันมันสกัดจิตตัวเองมันอุปทานมันได้แล้วมันก็ไม่ร้อนคุณจะไม่แปลกเลยถ้าคุณเข้าใจในหลักการของอุปทานนี้อย่างจริงจังแล้วเดินในไฟไม่ร้อนแล้วทําไมไม่พองด้วยก็มันไม่พองมันไม่ควรจะพองมันยังพองได้ก็ทําไมเรามันกลับกันมันก็ได้เหมือนกันมันควรพองมันก็ต้องมันก็ไม่พองได้ มันเป็นพลังงานพิเศษชนิดหนึ่งเป็นพลังงานพิเศษที่มันควรพองผมไหม้ายปฏิกิริยาของไฟมันต้องทองมันก็ไม่พองได้มันไม่เหนียวหรอกไอ้นี่เน่ยมีดบาดมันมันก็ต้องเข้ามันก็ให้เหนียวจนมีดฟันมันไม่เข้าก็ได้พลังงานพิเศษของคนี่อุปทานมันเก่งถึงอย่างนั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครศึกษาทานนี้จริงแล้วนะไม่แปลกเหรอแม้ตีหัวไม่เจ็บก็ตีได้ อมีฟันไม่ข้าวก็ทำได้ทำได้จริงๆด้วยอุปทานทำได้นะแต่เรื่องนั้นเกินขอบเขตเพราะอาตมาเนี่ยขามันเหนียวนะแต่ก่อนนี้อาตมาเล่นศยาศาสตร์นะเล่นทางพวกนี้นะขาเหนียวรถยนต์ชนตุ้มไม่มีแผลเลยแต่แตกในเนี่ยขาอาตมาให้ดูก็ได้ใครต้องการดูเนี่ยเดียเ๋ยวนี้รักษาไม่มีแผลเลย หมอส่งกลับบ้านบอกว่ามันช้าเท่านั้นที่ไหนได้เราข้างในแหลกต้องมารักษาอยู่อีกงเป็นหลายเดือนน่กว่าจะหายหมดเสร็จแล้วมันก็กล้ามเนื้อข้างในเพราะว่ามันแตกมันในในก็เป็นรอยแต่เป็นข้างในนะแต่ข้างข้ ง, ข ง, ขงนอกกล้ามเนื้อมันก็ไม่บดบูลแล้วมันพิการนะเนี่ยขาข้างอัตมานเนี่ยนะ่ละหนังเหนียวแต่เนื้อไม่เหนียวก็มันแรงกดมันกระแทกแรงอยู่มันมันก็ต้อง เหนียวได้เหมือนกันอัตมาติกาก็เหนียวอยู่ยงเขาว่าเดี๋ยวนี้อย่ามาเอ า, อามาลองเมื่อเช้านี่กระจกรถแตกกระจกหน้ารถไอ้รถสิบล้อมันบรรทุกหินปิ้งกระทบตกหน้าแตกแล้วก็ล่วงพอขัเขลับไปว่าเออจะเพิ่งเอาออกเลยมันมันมั น, มนกระจกสมัยใหม่มันจะกราวหมดนะแต่ว่ามันคงอยู่ได้น่ะวิ่งมามาขึ้นไอ้ถนนไม่เรียบตึงง้งพรูมาโอก ูไอกระจกนี่ที่จริงมันไม่มีคมแต่มันก็ยังไม่ค่อยดีนักว่ามันกระจกของเจ้านี้มันไม่ค่อยดีนักมันก็มีคมบ้างเล็กน้อยแหลมๆเลยตกมาถูกยังเลือดซิปเลยไม่เหนียวเดี๋ยวนี้ออย่ามาลองอย่ามาลองใชอยากเดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วปล่อยหมดแล้วไม่เอาเรื่องอุปทานอาตมาไม่ใช่นะไม่เหนียวแต่ก่อนเหนียวจริงๆอาตมาเล่นเหนียวเนี่ไม่ใช่ว่าใช้ไอ้มีดธรรมดาไม่คมมาฟันนะ เราใช้ใบมีดโกนยินเล็ดนะเอาเธอใครเนื้อเหนียวขอลองเลยทีใบมีดโกนยินเล็ดเนี่ยกรีดเนีเวลาจะลองกันเนี่ยมีด ท, ที่จะลองเนี่ยก่อนจะลองเนี่ยโกนขนก่อนมีดนี่คมันคมต้องให้คมคมหรือไม่คมก็ให้รู้กันว่าจะคมหรือไม่คมลองเอาเอาโกน ล, ลงไปตรงนี้สิขนร่วงกลางแล้วไม่คมเออมีขนาดโกนไปอย่างนี้แล้ขนร่วงกลางไม่คมเออ แล้วถึงจะตีถึงจะฟันเัี้เห็นแต่เจ็บฟันแรงๆก็เจ็บและบางทีนี่มันก็เป็นรอยแดงขตดแรงๆมันก็เป็นรอยแดงเอาละมันเล่าผลความยาวแล้วนะเล่าอะไรแต่อะไรไปมากกลับมาที่เวทนาสัญญาสังขารเราต้องพัฒนาเพราะงั้นความรู้สึกนี่จะต้องเรียนรู้จริงๆแล้วว่าเวทนาความรู้สึกทุกสุขๆมันเป็นอย่างไร สุขก็ยังแบ่งเป็นสุขอย่างโลกียะสุขอย่างโลกุตระซึ่งอาตมาก็ได้เคยอธิบายให้ฟังแล้ววิเคราะห์วิจัยให้ฟังแล้วสุขอย่างโลกียะนั่นแหละเราดับเวทนาอันนั้นความรู้สึกสุขระโลกียะเนะี่มันหมดแต่ก่อนนี้อาตมากินไอ้ข้าวนี่กินไอ้ขนมกินอาหารบางอย่างอร่อยนะรู้สึกอร่อยอย่างโลกที่เขาเคยยั่วให้เราติดแล้วก็เป็นหลงติดมาแล้วก็อร่อยนะพอเรามาลดมาละกิเลจรจริงๆแล้วก็เออรู้ ว่ามันอ่าเงี้ยเคยจําได้ว่าอร่อยและความจําหรือสัญญาจําเนี่ยมันก็มันก็จะไม่รู้สึกดูดึงไม่รู้สึกโหยหาไม่รู้สึกปรปติพัอติดใจอะไรเกินไปหรอกมันจะลดจางลงจนกระทั่งสุดท้ายมันก็เออก็มันก็ง่ายๆก็คือว่าความอร่อยคุณก็จะลดลงความติดใจดูดึงใจก็จะลดลงลดลงจนกระทั่งเออก็ก็ก็หนักเข้าก็จนกระทั่งอาจจะ ถึงขั้นปฏิเสธลึกมันตีกลับมันไม่อร่อยเลยได้แต่นั่นแหละคุณก็ต้องบอกว่าถ้าไม่อร่อยไปได้คุณก็กินอะไรไม่ลงเลยปรเดี๋ยก็ยากอีกแหละเพราะฉะนั้นไม่อร่อยไม่ได้ก็จะต้องรับรู้ว่าเอาอร่อยก่อนก็ได้แต่จริงๆแล้วก็ต้องโลดทะเบจนกระกทั่ง มันก็เป็นของมันนั่นแหละข้าวมันก็มีรสนั้นนะ่ะเคี้ยวกันไปจริงๆก็มีเคี่ยวก็มากๆากัไปเนี้ก็เป็นรสน้ําตาลข้าวมันก็มีหวานปเปเ็นแหลมป็นแหลมอ่ะสเดาเคี่ยวยังไงมันก็ต้องรสขมอย่างงั้นแหละแล้วเราก็หัดวางใจซ่อนว่ะอ่ะขมมันก็ขมส่วนคนชอบขม ก, ก็ชอบนะโอ้โหยิ่งบอกว่าอ่ะโอ้ยเยอะฮะตีไม่ต้องเลาะตีหน่ะไม่ต้องใสน่น้ําตาลอ่ะคนคนดาๆ ด, ด, ด้วยนะเนี่ย อโอ้โหๆนะดำๆ ด, ด้วยนะแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลด้วยขขมปีเลยนะแล้วเาก็ส่ของเขาหน้าตาเฉยไม่ต้ใส่น้ำตาลโอ้ยว่วขมปีไม่หายชื่นใจไม่ได้กินวันไหนจะตายมันอยู่ที่อุปทานทั้งนั้นอ่ากินน้ำร้อนนี่คนจีนนี่สดโอ้โหยั่วย่วปากพองตายเลยแต่แก่อร่อยเราไปลองเขสิปากพองทีเดียวก็พ้นแล้ว กินเข้าไปได้แต่แก่อร่อยมันอุปทานทนั้นแหละมันก็ฝึกขัดจนกระทั่งทนได้ก็บอกแล้วว่าฝึกขัดตัวกินน้าร้อนไม่ลวกปากมันจะเป็นปัญหาไล่เขาเดินไฟยังไม่ร่วงถ้าเข้าใจอุปทานพวกนี้แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเอาไรเรื่องนี้เราก็มันก็เข้าใจเรื่องจิตวิญญาณหรือเรื่องเจตสิกอะไรพวกนี้เข้าใจมากขึ้นเข้าใจเรื่องของพลังงานพิเศษของคนมันมีจริงอย่างนี้แหละมากขึ้นแล้วข้อสําคัญต้องเรียนรู้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ย ให้เข้าใจอย่างดีเลยว่ามันไม่ใช่ของเรานะแต่เราก็อย่าไปที่ใดไม่ทิ้งไม่พัฒนามันไม่พยายามศึกษาเข้าไปสู่โล ก, กุตระศึกษาเข้าไปสู่ความประเสริฐที่แท้จริงไม่ใช่ไปติดประยุทธ์เพราะงั้นถ้าเราเข้าใจความรู้สึกหรือเวทนาสุขทุกขแยกเป็นสุขอย่างโล ก, กียะสุขอย่างวูะสโมสุขสุขอย่างโล ก, กุตระสุขเพราะสงบละงับต่อการสังขารมาบมเรอตน มาติดยึดมาอร่อยอร่อยเป็นอัสาทะลดกิเลสอันนี้ได้จริงคุณก็จะสามารถมีความรู้สึกได้จำได้มีสัญญาดีเออจาได้ไนี่เขาสมมติว่ามันอร่อยอย่างนี้เขาสมมติว่าสวยอย่างนี้เขาสมมติว่าเพราะเขาสมมติว่านวนววานีจะปรุงร่วมกับคุณก็ได้แต่ตัวกูของกูไม่มีตัวนี้แหละอัตราอาสวะอันนี้ไม่มี แล้วเราก็จะเห็นเหมือนอย่างคนโลกเขาเห็นรู้กว้างขวางเป็นโลโกวิทูเข้าใจเขาได้ด้วยปรุงให้เขา้าใต้ตามฐานนะที่คนเอานอคนนี้อารมณ์ปรุงให้แค่นี้เป็นฐานของเขาถ้าปรุงมากกว่านี้เกินไปไม่ได้หรอกติดยึดแล้วก็ไม่มีการขัดเกลาปรุงเท่านี้ฐานนี้ให้แค่นี้ขัดเกลารได้พอสมควรจะประมาณได้อย่างเก่งแล้วเราก็จะทํางานรังสรร์หรือว่าสร้างคนมีปัญญาในการที่จะปรุงจะแต่งจะทําอะไรแต่ใดอยู่กับสังคมเขาได้หมดเลย และตัวเราอยู่เนื้อมันจริงๆคุณโก6ตัวเองก็โก6ตัวเองเท่ายังรู้สึกอร่อยอร่อยแล้วยังเสพแอบเสพแล้วก็ปเป็นที่ดโกหคนซ้อนว่าฉันไม่เสพแล้วแต่ฉันเสพอยู่นะอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรก็โก6กเขาเวทนาของคุณมีอยู่จริงถ้าคุณอ่านจริงได้อ่านออกแล้วคุณก็ต้องเรียนรู้ของคุณแล้วก็ลดปัญหาได้จริงนั่นคือการพัฒนาขันห้าพัฒนาเวทนาด้วยพัฒนาสัญญาด้วยพัฒนา สังขารด้วยก็คือพัฒนาวิญญาณบรรทัศน์วิญญาณเป็นสัพพโตประพังวิญญาณได้เป็นวิญญาณแท้จิตแท่อย่าไปเรียกจิตเดิมแท่นะจิตเดิมของสัตว์โลกจิตเดิมของมนุษย์เกิดมาเป็นปุตุชนมาก่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตเดิมไม่ประพัดสอนใครเรียกว่าจิตเดิมแท้ประพัดสอนสอบตกตัวคําว่าเดิมเพราะเดิมมันเดิมมานะมันมีกิเลส คนมันมีกิเลสมา ก, ก่อนค่อยมาเป็นพระอรหันต์ทีหลังเพราะการเกิดนี่เกิดมาด้วยกิเลสสิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่เป็นอะไรยังไม่มีเชื้อชีวิตยังไม่มีสัตว์วิญญาณยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีอะไรนะแต่ถ้าเกิดเริ่มเกิดเมื่อไหร่เกิดมาด้วยชั่วเกิดมาด้วยโง่เกิดมาได่วอวิชชาจนสะสมอวิชชามาแม้เป็นความฉลาดก็อวิชชาอาวิชชาแปลว่าความฉลาดไปฟ้องปรเรียนเก้าว ไปเลยเอาวิชาแปลว่าความฉลาดอย่างโลกีภาษาบาลีเรียกว่าเชกะหรือเชโกแปลว่าความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาดทุกวันนี้คนเรากําลังสร้างกําลังพัฒนากําลังฝึกฝนอบรมให้มีความฉลาดแบบเชโกหรือแบบเชกะทั้งนั้นโลกีเพื่อจะเอาเปรียบเอาด้าเพื่อจะได้ยิ่งใหญ่เพื่อจะได้โลกธรรมได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้โลกีสุขที่เขาอะไรว่าอร่อย ไมหลงกับเขามาให้มันได้แล้วก็ไปติดไปยึดไปเสพให้เป็นภาระแก่ตัวเองมาทั้งนั้นแมโง่ไม่มีที่เปรียบเพราะอาตมาไม่รู้จะเปรียบกับอะไรแล้วเนี่ยคนเรามันโง่อย่างนี้นะเพราะงั้นมาตื่นเถอะอย่างโง่ต่อไปเลยมาเรียนรู้พัฒนาจริงๆแล้วเราก็จะได้พัฒนาสิ่งนี้ได้ได้จริงพัฒนาเวทนาได้จริงพัฒนาสัญญาได้จริงพัฒนาสังขารได้จริง เพราะสรุปแล้วขันห้าไม่เที่ยงขันห้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแต่ขันห้าเราต้องอาศัยเราต้องพัฒนานี่คือประเด็นที่ต้องการอธิบายต้องการเอามายืนยันเอามาพูดกับพวกเราไม่เช่นนั้นกลายเป็นการศึกษาธรรมะ อย่างไม่สมบูรณ์อย่างเข้าใจเพี้ยนเข้าใจเลยเถิดพอบอกว่าขันห้าไม่ใช่ของเราช่างหัวมันแล้วก็ไม่พัฒนามันแล้วก็ไม่เอาใจใส่มันแม้แต่รูปขันก็ยิ่งทิ้งไปเลยโดยเฉพาะยิ่งนามขันยิ่งเข้าใจไม่ถูกต้องอดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารไปหมดเลยบอกแล้วว่าไอการดับกับการพัฒนามันคนละเรื่องกันแล้วนะไม่ใช่ ดับกิเลสเท่านั้นดับกิเลสในเวทนาดับกิเลสในสัญญาดับกิเลสในสังขารดับกิเลสในวิญญาณนี่พูดรวมๆไว้ก่อนกิเลสคืออะไรก็ต้องไปเรียนกันอีกข้างมากเลยทีนี้โอ้โหกิเลสในสารพัดกิเลสไม่ใช่ว่ากิเลสร้อยกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดไม่ใช่แมนี่ในอภิธรรมกระบุเลยนะกิเลสมีพันห้าคุณมีกิเลสแค่พันห้าเลย คุณบอกคุณมีกิเลสมากกว่าพันห้าไหมนะหมดโถ่ไปนับพันห้าเนี่ยมันน้อยไปอาตมาว่ากี่สิบเท่าของพันห้าเล้ากิเลสเนี่ยตัณหาร้อยแปดโยแต่แค่อยากได้อะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยให้เด็กอายุห้าขวบ ม, มันยังมากกว่าร้อยแปดแล้วมันอยากได้อะไรอะ่ะ <c oughs> นะมันมากมายนะ เพราะเราต้องชัดเจนต้องรู้อาการลิงคณิมิตของกิเลสตัณหาอุปทานพวกนี้หรือความโลภโกรธหลงต่างๆพวกนี้ให้ได้ชัดเจนแล้วต้องฆ่ามันมีวิธีฆ่ามันให้ได้ลดมันให้ได้ดับมันให้ได้นั่นแหละคือการพัฒนาเวทนาพัฒนาสัญญาพัฒนาสังขารพัฒนาวิญญาณพัฒนาขันห้า เรื่องรูปธรรมอัตมาก็ไม่ต้องพูดยาวมากนักหรอกว่าเราต้องดูแลเราต้องให้มันสมดุลให้มันมีอวัยวะเจ้าการนี่ทำงานได้สะดวกไม่ต้องเป็นทุกข์เจ็บต้องป่วยแต่แก่ห้ามไม่ได้บอกแล้วว่าถึงวาระหนึ่งมันจะต้องแก่ลงไปปางยากล้างเย็นอยู่เดี๋ยวเนี้ยทําไมมันไม่ออกสักทีนะอย่ามาถามไปสั่งสมว่าัตปางไหนล่ะไม่มีใครเข้าไปแกล้งให้คุณเราไม่มีใครเข้าไปปลอมมาของคนอื่นมายัดให้เราไม่มี ของเองอ่ะของเองเองอ่ะไปสั่งสมมาแต่ปางไหนอ่ะเพราะนาะยรู้จักเข็ดจากลาบใช่ไหมว่ า, าขนาดมันมีบางกิเลสของเราก็โอ้โหทำไมของเราเนี่ยมันเอาออกยากจริงเว้ยอันอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าไปนั่งสั่งสมมามันไม่มีมันก็บุญแล้วโอ้ไอ้ น, นี่เรายังไม่ได้ลองเลยนะอันนี้เรายังไม่รู้รสชาติมันเลยนะไอันนี้เรายังไม่ได้ยังเอาอย่างลองอะไรเธอวะบทโทไม่รู้จักเข็ดจากล่าบไอ้ที่มีอยู่เนะี่มันลา ง, ง่ายอยู่เลย ยังจะไปเผาอื่นมาใส่มาเติมมาเปื้อนมันอีกก็มันบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่แล้วไม่ต้องไปเปื้อนมันก็ดีแล้วอะอย่างมนนั่งอุตริเพราะงั้นถ้าเรามีปัญญาพอศรัท ธ, ธาก็พอเราจะไม่อยากไปเปื้อนไปเปื้อะไรมาหรอกเคล็ดลับจริงๆมันจะรู้สึกเองเลยว่าโอ้ไม่เปื้อนมาก็ดีแล้วเราจะเข้าใจได้ ว, ว่าไอความไม่เปื้อนโลกียะอะไรมาเนี่ยมันดีแล้วรักษาไวเ้เถอะ จะให้มันไม่เปื้อนมาอีกไอ้ที่มันเปื้อนอยู่แล้วเนี่ยล้างมันก็โอ้แสนยากแสนเย็นจริงๆในกิเลสเนี่ยอันไหนมันมากมันก็ยิงล้างยากอันไหนมันน้อยมันก็เออก็ยังคอยยิ่งชั่วอะไรเงี้ยเพราะงั้นเอามันน้อยไว้หรือเอามันไม่มีแล้วก็ไม่มีก็เห็นมันมีไปไม่เลยต่อไปไปมีมาทําไมเนาะไปเติมมันมาทําไมเม่อวันตั้งแงไหนเชิงไหนแล้วเป็นกิเลสมันก็ต้องมาล้างทั้งนั้นนจะไปแปดเปื้อนมาแล้วไปแปะมาแล้วเลอะมันแล้วจะบอกว่าฉันไม่มีได้ไง มันก็อยู่ที่กรรมจริงทั้งนั้นแหละกรรมที่มันเป็นจริงเพราะสั่งสมเมื่ อ, อไรมีมากเมื่อไหรมันก็มากมีน้อยเมืม่อไร่ันเป็นประมาทอีกว่ามันเป็นไรลรงมานิดเดียวเด้อมันน้อยไอที่เราลา้างยากเนี่ยเพราะเราไปเผลอทํามามากอืน้อยก็ตามมากก็ตามโทษภัยมีประมาณน้อยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ประมาทสักอย่างใช่ไหมถ้าไม่เคยสอนให้เหมือนปรประมาทให้มันนั่งคิดทดลองเล่นน่นนี น, นี่อะไรไม่ เพราะใครที่เข้าใจใครที่เชื่อมัน่นจริงพวกเขานั้นก็ไม่ไปนั่งสังสมทําอะไรมาเพิ่มเติมพยายามหรือว่าจะทําอะไรมันรู้สึกว่าคุ้มกันอย่างที่พูดไปแล้วว่าคํานวณว่าเอออันนี้มันมีบุญมากกว่ บ, บาปมากกันจนกระทั่งหน้าแหลกก็เอาตัวสภาพศรัทธามันก็เป็นความเป็นศรัทธาอย่างนั้นน่ยตัวสภาพวิริยะมันก็จะเป็นวิริยะก็เป็นลักษณะของความเพียรความขยัน ตัวสติมันก็จะเป็นเป็นสภาพสติเป็นสภาพรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกได้เร็วรู้สึกได้อยู่เสมอต่อเนื่องมากหรือไม่มากสมาธิก็คือกำลังของอธิจิตต่างเจโตนี่แหละสมาธิเจโตที่สมาธิเราเอาไปเรียกตัวเจโตเรียกศรัทธาเอาไปเรียกตัเจโตก็เรียกปัญญาอีกส่วนหนึ่งปัญญาคือความเฉลียวฉลาดรู้รอบ ส่วนศรัทธาเราเอามาเรียกเจโตว่าเออจิตของเรามีความเชื่อแล้วหรือสมาธิจิตของเราสงบนิ่งดีแล้วจิตของเราแข็งแรงแล้วเป็นอัปปนาพยัปนาเจตโสอภินิโรปนาเป็นสมาธิเป็นฌานที่แข็งแรงเราก็เอาไปเรียกทางสมาธิทางสมาธิไปเรียกจิตที่เป็นจริงศรัทธาก็ไปเรียกจิตที่เป็นจริงหรือแม้แต่วิริยะก็เรียกจิตที่เป็นจริง ส่วนลักษณะที่จะมาเรียกทางด้านปัญญาก็มีสติที่มันต่อเนื่องกันมันสายที่มันสัมพันธ์กันมากสติเพราะอินทรีย์ห้าเนี่ยสติกับปัญญาก็เป็นลักษณะที่มาสายเดียวกันส่วนศรัทธาวิริยะสมาธิก็มาทางเจโตสรุปรวมแล้วอุปโตภาคก็มีเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติเพราะนั้นเจโตวิมุตติแล้วเนี่ยมันก็สมบูรณ์ของมันพระ พระหรือว่าสมณะท่านพุทธเจ้าว่าเอาอะไรเป็นเครื่องสแสดงเอาอินทรีย์เอาเอาเอาพระสมณะเนี่ยถ้าเผื่อว่ายังมีอายุอยู่ยิ่งเป็นผู้ที่เป็นสมณะที่จบกิจเป็นอรหันต์แล้วเป็นสมณะที่สีอ่อธิบายหรือวิรยิยะแม้แต่อายุหานี่ก็แปลโดยอัดว่าความเพียรแปลเป็นภาษาไทยก็บ่าความเพียรหรือแปลโดยภาษาบาลีก็ตามเขาก็แปลอายุห่าเป็นความเพียรเหมือนกันนะ แปลจากภาษาบาลีมาเป็นตรงๆก็มาแปลว่าความเพียนหรืออิทธิบาทเพราะวิริยะนี่เป็นตัวแสดงจะได้เห็นได้ที่อาตมาห ย, ยิบมาซ้าํามาซากอีกเพราะว่าในอินทรีห้าเนี่ยนะพระอาหารหันต์เจ้าจะเห็นวิริยะเป็นตัวปรากฏเด่นเพราะฉนั้นตั้งแต่โสดาถ้าได้ฝึกเพียนไปเรื่อยๆเยนี่ยนะมันก็จะเพียนแล้วก็แนบเนียนไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นโสดาแล้วก็เราจะไปเพียนเมื่อเป็นอรหรันต์เราจะเห็นบทบาทความเพียน เดินะคุณจะไปขยันตอนที่เป็นพระอรหรัตนตุณณจรโสดาก็ไม่ฝึกขัดเป็นความเพียรการงานการกระทํานนนี่จะไปทำเอาตอนเป็นอรหรันเดอจริงๆไม่ออกหรอกทำไม่เป็นหรอกเพราะบางคนนี่ไปคิดไม่รู้จักสะสมทปฏิบัติถูกสภาพของวุฒิเจ้าแล้วถูกหลักเกณฑ์มรรคองแปดแล้วเป็นตั้งแต่เป็นคารวะตั้งแต่เป็นจากปุตุชนมาสร้างอินทรีย์ให้เป็น ผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นโสดาก็สร้างอินทรีย์มาก็จะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเข้ามาจริงๆเลยเพราะฉะนั้นความเพียรที่สั่งสมมาตั้งแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อเกิดอินทรีย์ในความเป็นโสดาจนกระทั่งเป็นความบริบูรณ์มีอินทรีย์เป็นโสดาก็มีอินทรีย์บริบูรณ์ในความเป็นโสดาเพราะฉะนั้นศรัทธามันก็จะมีน้ําเนื้อขนาดหนึ่งวิริยะก็จะมีเนื้อขนาดหนึ่ง วิริยะมันเป็นอาการอะไรอาการความเพียรก็จะมีสติมันก็จะมีเนื้อขนาดหนึ่งอินทรีย์พะละจะแปลว่าเนื้ออย่างที่ว่านี่ก็ได้มันเป็นลักษณะเป็นสภาพเป็นเนื้อของเรามันผู้ใดไม่ได้ฝึกจริงไม่ได้เพียรจริงเนี่ยมันนั่งโมเมคิดเอาไม่ได้หรอกมันจะมีตัวจริงสภาพจริงเนี่ยยิ่งปฏิบัติถูกทฤษฎีของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอินทรีย์พะละห้าเต็มเต็มเนี่ยมันจะชัดเจนหมดเลย